แล้วมันเป็นอกุศลกรรมด้วยเดี๋ยวนี้แล้วกรรมเหล่านี้ยเราท่านทั้งหลายเอาแค่ระลึกได้เนี่ยหลับตามองแล้วก็หวาเสียวแค่อดีตที่ผ่านมาที่เราเคยทํากรรมประเภทเหล่านี้นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทุจริตทางโลกที่เขาพูดกันเลยนะเอาสุดจริตอย่างที่ทางโลกเขาพูดกันเลยเพียงแต่เรายินดีเพลิดเพลินแค่นี้เองทีนี้กรณีอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่าโอ้โหเนี่นะแล้วปริมาณกรรมขนาดเนี้ย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 ปัจจัยของมรคแปดใช่ไหมถ้าโยนิสมนสิการคือความเป็นผู้ที่มีอุปการคิดโดยแยบคายโดยอุบายแยบคายเนี่ยไม่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราจะทําอริยมรคให้เกิดขึ้นได้ยังไงถ้าอริยมรคไม่เกิดมิจฉามรค ก, ก็เกิดต่อแล้วในสุดจริงๆก็จะล่องรอยเดิมนั่นแหละก็จะน้อมกลับไปมันรุนแรงมากนะขนาดอยู่ในเพศของพระเนี่ยยังไม่เว้นเลยใช่ไหมมันไม่เกรงใจว่านี้เป็นธงชัยของพระผู้มีภาคเจ้าทรงประทานไว้มาคุมไว้เนะ โกนศรีรษะอย่างเงี้ยพระเจ้าทรงประทานไว้นี่คือนักบวชอย่างนี้เป็นต้นเลยมีบาทในการเดินบินทบาตเป็นต้นมีการฉันอาหารที่เขาให้เขาถวายด้วยความเคารพเป็นต้นเหล่านเนี้ยเนี่ยให้ความรู้สึกเก่งอกเก่งใจในการที่พระบรมศาสดาวางหลักบัญญัติเขไว้ว่า น, นิสาวะของตถาคตเนะืเธออย่ามายุ่งเนะนื้อไม่ไม่สนใจหรอกไอ้ตันหามันก็เข้ามาปิดห่อมร้อมหมดแหละ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 จักูุมีสภาพที่วิบัติเสมอในการใดาการหนึ่งเมื่อมีปัจจัยบกพ่องหรือมีอันตรายมาปรากฏนะวิปรินามทุก์จึงหมายถึงทุกในการสแสวงหาปัจจัยก่อนล่วงหน้าด้วยความกลัวว่าจักูุจะวิบัติทุกในการจัดการรักษาคุ้มครองดูแลทุกมีความเศร้าโศกคร่ครวญลำพันธ์เป็นต้นเหตุเพราะเห็นเหตุแห่งความวิบัติหรือในขณะที่จกักขูวิบัติอยู่ หรือวิบัติแล้วโดยประการทั้งปวงต่างๆจากสุขทั้งหมดนั้นก็มีความบีบคั้นบุคคลด้วยวิปริณามทุกันไม่มีขอบเขตเสมอทั้งหมดนี้เป็นวิปรินามทุกของจักขูนั้นเห็นไมก็เป็นความทุกข์นี่เราไม่เห็นสัตว์โลกไม่เห็นความวิบัติความแปรปรวนไปของจากสุใช่หไหมก็ไปทํากรรมเพื่อจะให้ได้จากสุ ก็ไปได้ความแปรปวนได้ความวิบัติก็คือไม่รู้จักสังขาระทุกข์ไม่รู้จักวิปรินามทุกข์ไม่รู้จักทุกขะทุกข์เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักสังขาระทุกทุกที่ปรุงแต่งกรรมนั้นๆไว้ก่อนล่วงหน้าที่ให้เกิดรูปนามเกิดอุตุเกิดอาหารก็เป็นต้นเลยนะเกิดรูปที่เกิดจากกรรมจิริตัวหามปต้นแม้จากสูขของรูปปภพก็เกิดขึ้นแก่ผู้เสวยทุก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 ถูกบีบคั้นเพราะความเกิดและความดับอยู่ตลอดเวลานั่นแหละฉะนั้นเราจะไปปราถนาจาักสุอะไรถ้าขนาดจักสุของรูปภพลมแล้วมันยังวิบัติขนาดนั้นส่วนอื่นไม่ต้องพูดถึงใช่ใช่คริอใช่ ไดใ้ใช่ใช่เราเป็นตัวปูงแต่งใช่ใช่ใ ช, ใ ช, ใช่ใช่คือคือตรงนี้ก็คืออย่างนี้ ในกรณีที่บอกว่ า, วาทุกข์กับทุกข์เนี่ยถามบอกว่าในขณะที่เราได้ตาหูจมูกลิ้นใหญ่ๆมาแล้วแล้วต่อมาเนี่ยเราก็พยายามได้ขันห้ามาแล้วเนี่ยก็เกิดความพยายามที่ว่าทุกข์กับทุกข์เนี่ยย่อมสําเร็จได้ทุกทั้งสองอย่างคือทุกข์กับทุกข์เนี่ยก็สําเร็จด้วยสังขารทุกข์และสําเร็จได้ ว, วิปริณามทุกข์นั่นแหละ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 ของจักรสุนั้นเป็นความจริงไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นจักรสุจึงชื่อว่าทุกจักรสุที่เป็นไปในกาลมาภูมิที่เป็นไปในรูปภูมิเป็นต้นเหล่านี้เนะียแต่ท่านก็ให้เป็นไปในภูมิสามนะั่นแหะเป็นไปในภูมิสามนั่นะจัดว่าเป็นไปในภูมิสามเลยว่างั้เพราะอะไรเพราะยังไม่พ้นจากการมีตา ไปที่ในภูมิส า, ามะการมาภูมิรูปภูมิแม้ในรูปภูมิเดี๋ยวก็กลับมามีตามีหูมีจ ม, ม, มูกมีลิ้นมีกายก็ถึงมีอรูปภูมิก็คือมีใจไงมีใจนั่นแหละมันเป็นทุกข์ในสัจจะที่พระองค์ทรงสอนตรงเนี้ยต้องการเชื่อเห็นว่าว่าความจริงเนี่ยนะความจริงของสังขารเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นิทาพิจารณา แล้วก็จะเห็นเห็นอะไรเห็นความจริงที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ในเรื่องของความทุกข์ทีนี้ความทุกข์ที่บอกว่าที่ท่านใช้คําว่าทุกขาริยาสัตว์เนี่ยสัจจะคือทุกข์เนี่ยความจริงคือทุกข์เนี่ยก็หมายความว่าทุกขสัจจะของธรรมที่เกิดในภูมิสามมีจักษุประสาทเป็นต้นเนียมีตาหูจมูกเล้นกายใจนั้นเนี่ย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 ส่วนสังคตะคือถูกปัจจัยประชุมปรุงแต่งก็หมายความว่าไม่เกิดขึ้นเป็นไปตามปรัจากทุกที่ปรุงแต่งปัจจัยมีการเป็นต้นซึ่งมาก่อนวิปริณามะมา ก, ก็คือความแปลปปวนเสียสภาพคือความเสื่อมและก็ความดับสลายท่านถึงใช้คำว่าปีรนธะมีสภาพบีบคั้นไงปีรนะคือสิ่งที่ถูกบีบคั้นสิ่งบีบคั้นความบีบคั้มคั้นอัดโถก็คือสภาพน่นแหละสภาพที่บีบคั้น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 อาทีปนาเร่าร้อนสันตาปนะรุ่มร้อนแล้วก็ปริไทยนกหรือร้อนลนมีความร้อนเป็นปกติจักษุเป็นของร้อนโสตเป็นของร้อนคาณะเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนกายยะก็เป็นของร้อนใจก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะ ร้อนพ่อชาติชรามราณะโสกาบริเดวทุกขโทมนาสาและก็อุปายาตถามว่าอริยมรรคเนี่ยนะย่ำบีบคั้นบุคคลยิ่งด้วยทุกขหรือการบำเพ็ญบารมีมาอย่างชา้านา น, นและทุกที่เจริญภาวนามีความหมดจดแห่งศีลเป็นต้นในชาติสุดท้ายทั้งมีสภาพแปรปวนเกิดดับเสมอดังนั้นอริยมรรคนั้นน่ยควรนับเข้าในทุกขสัจจะคือความบีบคั้นได้หรือไม่บวกไม่ใช่ อริยมรรคไม่นับเพราะอาริยมรรคเนี่ยนำออกจากนำนําความสงบแห่งทุกเนี่ยทั้งมวลเนี่ยมาให้อริยมรรคเนี่ยเขานำใช่ไหมอริยมรรคเนี่ยลองมาพิจารณาโดยทําเป็นมรรคเบื้องต่ําๆเหล่านี้เหมือน ก, ก็เป็นทุกข์ด้วยจริงไหมแต่นั่นแหละเขากําลังดําเนินไปสู่การที่จะออกเข้าสู่ความสงบเพื่อจะดับเพื่อจะดับความเร่าร้อนเหล่านั้น ดับความร้อนคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยใช่ไหมก็ตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนใช่ไหมจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนเพราะมีไฟเผารนอยู่ใช่ไหมเอาเดียมักที่เป็นไปในเบื้องต้นเนะ่ะมันมีไฟเผาอยู่เหมือนกันนะแต่มันจะเดินออกอยากใช่ใช่นั่นแหละตรงนี้ก็คือ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 เกี่ยวข้องกับจกักรกุญญญาโสตวิญญา ณ, าญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณแล้วก็มโนโ ญ, ญาณก็ก็นี้ทุกเหนไหมเข้าใจอ่ะจากขูสัมผัสโสตสัมผัสกายนะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายยะสัมผัสก็มันนี้ทุกมโนสัมผัสกันนี้ทุกา จ, จากขูสัมผัสสชาเวทนาไปตนเหล่านะี้ ก, ก, นนกน็นี้ทุ ก, กาาเลยไหมเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างท่องแท้มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องคือว่าโดยภาพที่การฟังอย่างนี้เบีดเสร็จแล้วต่อไปเป็นงานวิจัยเป็นงานรอบรู้เลยเป็นการ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 และสภาวะเหล่านี้เล่าร้อนมากเล่าร้อนเพราะไฟคือราคาโทสะโมหะเล่าร้อนเพราะไฟคือชาติชราพญาทิมวัลนะโสกกาลริเดวะทุกขโทมนาสสะและอุปายาตถ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานแล้วก็มีการวิจัยแบบไม่หยุดไม่ย่อนอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้แสดงว่าทุกขนั้นน่ะปรากฏในกระแสใจของสัตว์นั้นได้ชัดเจนมากแล้วก็น้อมว่าแล้ว ตัณหานี้ใดใช่ไหมอยาอย่างตัณหาเนี่ยตัณหานี้ใดอะ่ะบอกตัณหาเหล่านั้นน่ะมันมันมีความรักมีความเจริญใจมีความมีดีเพืิดเพลินในที่ใดอะ่ะอะไรละเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกอะ่ะบอกอ๋อตาหูจมูกเล่นกายใจไหมรูปเสียงกินรสสัมผัสแ ล, มมละทำอารมณ์แล้วตัณหาเวลาจะเกิดก็เกิดหน้าที่ตรงเนี้ยเวาลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่หน้าที่ น, นี้ฉะนั้นการวิจัยตาหูจมูกเล่นกายใจรูปเสียงกินรสสัมผัสและทำอารมณ์จากกุญญมิตรเหล่านี้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 วิปรินามะทุกหมายถึงทุกแปรปรวนคือสุขเวทนาเป็นเหตุให้เกิดทุกที่แปรปรวนคือกายิกสุขเวทนาเจตสิกสุขเวทนาต่างๆเหล่านี้นะที่ทุกสุขทางกายเนี่ยสังขาระทุกก็คือทุกของสังขารคือเวขาเวทนาและสังขารที่เหลือที่เป็นไปในภูมิ3คือในการปรภูมิรูปภูมิอารูปภูมิถูกบีบคั้นด้วยความเกิดและความดับอะไรระบีบคั้น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 ด้วยกรรมกร32เป็นต้นเป็นสมุธฐานเพราะไม่ต้องถูกถามก็รู้เพราะการกระทักถูกความทุกข์เหล่านั้นปรากฏนะนะปริยายะก็คือทุกข์โดยอ้อมคือทุกข์ที่เหลือทั้งหมดมีการเกิดเป็นต้นน่ยนอกจากทุกขะทุกซึ่งมาในสัจจะวิพังนิปริยายะทุกข์ก็คือทุกข์โดยตรงนะก็คือทุกขะทุกในเรื่องความทุกข์นั้นเน่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์คือความเกิดในอบยภูมิเป็นต้นเพระบรมศาสดาก็แสดงไว้ในสูตรเยอะแยะ ไม่ว่าจะในภาราปดิตาสูตรก็ดีในเทวทูตสูตรก็เป็นต้นก็กล่าวไว้ในพระสูตรต่างๆที่พระบรมศ า, าสดาแสดงไว้ในความทุกข์ในคันความทุกข์ที่เกิดในสุขติภูมิเป็นต้นท่านสาระท่าบอกถ้าสัตว์ไม่เกิดในนรกก็ไม่พึงประสบความทุกข์มีการเผาในนรกที่ทรมานไม่พึงมีหน้าที่ในไหนเป็นต้นพระมุนีตรัสว่าความเกิดจึงเป็นทุกข์นะ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 พราณามากมายไม่มีประโยชน์มากทุกในโลกนี้มีหลายสถานจะไม่มีเวลาการในไหนถ้าไม่มีความเกิดไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าจึงตรัดว่าการเกิดว่าเป็นทุกข์ก่อนทุกข์ทั้งปวงจึงตัดในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของชารานะพูดถึงชาราก็เป็นทุกข์ชาราที่มีลักษณะเป็นปัจจัยประชุมปรุงแต่งชาราแห่งขันนับเนื่องในพบในสันตติบัญญัติที่ชาวโลกสมมุติว่าเ ว่าเป็นความแก่เป็นความชราเนียฟันหักหนังเหี่ยวย่นเป็นต้นเหล่านี้ชรานั้นชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นสังขารทุกข์เป็นบ่อกเกิดของทุกข์เนื่องจากชราเป็นเหตุความทุกข์กายแล้วก็ความทุกข์ใจมีเหตุมากมายเช่นองค์ชาพยบทั้งหลายกล่าวคืออินทรีย์เป็นต้นก็แก่งงมดังที่ได้กล่าวรูปร่างก็ไม่งดงามเสื่อมวัยก็ย่อหย่อนความเพียรสติปัญญาก็ถดถอยถูกข่มเหงต่างๆเหล่านี้ดังเป็นต้น มวลมนุษย์ประสบความทุกข์ทางกายทางใจเพราะการที่องค์คาวยกกล่าวคืออินทรีย์ทั้งหลายนั้นมีความข่ำค่าเป็นธรรมดานแล้วในที่สุดจริงๆดังที่ได้กล่าวแล้วก็ถูกบุตรธิดาเป็นต้นเนี่ยดูหมิ่นเย็ดยามว่าเป็นคนโง่เขายิ่งความทุกข์ทั้งหมดนั้นมีชรานั่นแหละเป็นเหตุพระบรมศ า, ศาสดายึงตรัสว่าชรานั้นเป็นทุกข์พยาธิทุกโขความเจ็บปวดเป็นทุกข์เนี่ยนะ ตรงนี้อยู่ในธรรมจักรกับปวัฒนสูตรนะความเป็นไข่ต่างๆดังที่ได้กล่าวนะเป็นความทุกข์มากดังที่บอกว่าเหมือนม้าสมา้มาม้าชั้นัยที่เกิดในท้องของแม่ลาเป็นต้นก็กระทืบท้องแม่ลาแตกออกมานั่นแหละลักษณะอย่างนั้นนะความป่วยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีความตายปรากฏเกิดขึ้นนะทีนี้ความตายมีลักษณะปรงแต่งปัจจัยพระดรําราชที่บอกว่าชารามรนัง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 ว่าความเพียรต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วสัตว์เหล่านั้นก็พากันทํากรรมกรรมต่างๆเหล่านั้นที่สัตว์เหล่านั้นทํานั้นเป็นกรรมหนักด้วยเป็นปานาติบาศกันทั้งนั้นอย่างนีนถามว่าสัตว์เหล่านั้นทํากรรมเหล่านั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะโม oh หะมันปิดไหมโมหะปิดสัตว์ทั้งหลายก็ฆ่าปกติสัตว์ทั้งหลายมีใจในการที่จะน้อมธรรมปานะาติบาอยู่แล้วใช่ไหมน้อมทำปานะาติบาตเบียดเบียนกันอยู่แล้วเนี่ย เพราะอัตยาสัยทุกวันเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเนี่ยว่าทำกรรมเหล่านี้ตัวเขาเองจะเดือดร้อนถาว่า<ม>บางคิดว่าบางท่านคิดว่าถ้าทำกรรมถูกกฎหมายไม่เป็นไรใช่ไหม <laughs> มันน่า ก, กลัวกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องป้องกันนรกเลยที่ไหนลก<ม>ใช่ไหมป้องกันไม่ได้หรอกสัตว์ต่างๆเหล่านั้นก็ทากรรม น่าสายดสยองมากใช่ไหมเอาไปแต่งตัวดีๆนี่แหละใช่ไหมแต่ฆ่ากันได้อะเออฆ่ากันได้โดยอาศัยความพยายามของตนและบุคคลอื่นเป็นอุปเยตอุปเฉทักกรรมนะสาระสาระสมรณะความตายที่ประกอบด้วยกิจคือความตายที่กําหนดอายุและกรรมอายุขยะมรณะความตายเพราะหมดอายุปุญยขยะ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 การเบียดเบียนการดรมานกันต่างๆเร า, านี้ย่อมเกิดแก่สรรพสัตว์ที่รักตัวกลัวตายความตายนี้เป็นเหตุของความทุกข์ไม่มีใครต้านทานหรือช่วยเหลือได้พระบระมาศาสดายังตรัสรว่าความตายเนี่ยเป็นทุกข์ทีนี้พระดํารัสว่าโาสกบ ร, ริเดวะทุกขโทมนะสาอุปายาปีทุก ข, ขาเนี่ยความโศกความร่ําไรราพันค์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ ปรากฏในคําอธิบายที่ท่านบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายเมื่อประสบแล้วเนี่ยที่ขยายเมื่อสักครู่เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายเมื่อประสบแล้วก็เจอความทุกขนะ์เมื่อเจอความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ความทุกข์ต่างๆเหล่าเนี้ยเมื่อมีความเกิดแก่มีความเจ็บใช่ไหมโสภาปริเดวาทุกขโทมนั้นมีความโศกความล่ําไรลําพัน์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 คำว่าพยาบีทุกโขแม้โรคก็เป็นทุกเนี่ยท่านตัดไว้เนี่ยในคำพี ข, ของชั้นอัถหดีกาเขาว่าสวดพิธรมนะไมท่านไม่ปรากฏพยาที่ทุกโขแต่คำอธิบายว่าโสกกาปริเดวะทุกขโทมนะสัท่านถึงใช้คำบอกว่าสัมปโยอัปปิเยหีสัมปโยคาทุกโขการพบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบเป็นทุกข